สัมหัสสยองนอนทับหลุมฝังศพเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ติดติดกันเป็นเรื่องของน้าฝนกับลุงชาติซึ่งทั้งสองคนประกอบอาชีพเป็นคนขายของตามงานวัดหรืองานเทศกาลต่างๆ ทั้งสองมักจะเดินทางออกจากบ้านเวลาประมาณตีสามทุกวันเพราะเราได้ยินเสียงขับรถของน้ฝนกับลุงชาออกจากบ้านเวลานั้นเป็นประจำมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งน้ฝนกับลุงชา ต, ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อขายของในงานวัดหลายวันจึงต้องไปเตรียมตัวจัดของก่อนหนึ่งวันด้วยความจังหวัดที่จะไปนั้น ค่อนข้างอยู่ไกลและทั้งสองก็ไม่เคยไปมาก่อนทางที่ไปก็ค่อนข้างมืดมีเพียงแสงไฟจากรถให้แสงสว่างเพียงเท่านั้นจนทั้งสองขับรถไปถึงบริเวณวัดกว่าจะไปถึงก็ดึกมากแล้วด้วยความหมอนเพลียจากการเดินทางก็เลยตัดสินใจตั้งเต็นท์นอนแต่ก่อนที่จะเข้านอนนาฝนได้ถามลุงชาติว่า จะนอนตรงนี้เหรอพี่ไม่เห็นมีใครมาตั้งเต็นท์นอนกันเลยในใจของน้าฝนก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างเพราะในตอนนั้นมีเพียงรถของทั้งสองคนจอดอยู่เพียงเท่านั้นทั้งทั้งที่กำลังจะมีงานวัดเกิดขึ้นเมื่อมองไปโดยรอบก็ไม่เห็นมีใครมาตั้งร้านอยู่เลยสักพักลุงชาติก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอก วันนี้มันดึกมากแล้วนอนกันที่นี่แหละจากนั้นลุงชาติก็หยิบเต็นที่หลังรถลงมากลางเพราะกางเสร็จก็เตรียมตัวที่จะนอนกันเมื่อนาฝนกับลุงชาตินอนไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงเดินของคนจํานวนมากเดินวนเวียนไปมารอบๆอบเต็นท์นาฝนเริ่มใจคอไม่ดี ได้แต่กรรมพระาที่ห้อยคอไว้แน่นส่วนลุงชาติก็รู้สึกแปลกใจที่ได้ยินเสียงนั้นจึงหยิบไฟฉายออกมาแล้วเอื้อมมือไปเพื่อจะเปิดเต็นน้ำฝนรีบห้ามลุงชาติในทันทีว่าอย่าเปิดเต็นเด็ดขาดเพราะตอนนั้นน้ำฝนกลัวมากและไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรที่ข้างนอกเต็นนั้นแต่ลุงชาติกลับบอกว่าไม่เป็นไรหรอก จากนั้นก็เอื้อมมือไปเปิดเต็นแล้วเอาไฟฉายส่องออกไปดูบริเวณโดยรอบก็เห็นว่ามีเงาดำลักษณะคล้ายคนจำนวนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาที่เต็นเมื่อเห็นดังนั้นลุงชาติรีบปิดเต็นในทันทีเขานั่งนิ่งตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นนาฝนมองลุงชาติในใจก็นึกหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยไม่นานนัก ทั้งสองก็รู้สึกว่าพื้นของเต็นที่พวกเขานั่งอยู่เริ่มขยับนูนขึ้นมาเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับมือจำนวนมาโผล่ขึ้นมาจากดินทั้งสองตกใจมากตัดสินใจเปิดเต็นแล้ววิ่งออกไปก็ปรากฏว่าภายนอกนั้นมืดและเงียบสนิทไม่มีใครหรือมือใดๆอยู่เลยเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ เมื่อตั้งสติได้ทั้งสองจึงตัดสินใจจะไปนอนในรถแล้วปล่อยเต็นท์ทิ้งไว้อย่างนั้นรุ่งเชา้ขาขณะที่ทั้งสองกำลังนอนหลับอยู่ในรถหูของน้าฝนกับลุงชาติก็ได้ยินเสียงเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆขณะที่ทั้งสองกำลังจะลืมตามองก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่ายมมาทำอะไรที่หลุมฝังศพเนี่ย ทั้งสองสะดุ้งตื่นขึ้นในทันทีแล้วก็ได้รู้ว่าเมื่อคืนนี้ตนเองได้กางเต็นทับหลุมฝังศพของวัดนี้นี่เองผีอยากปฏิบัติธรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ทุกวันเวลาตีสผมจะต้องตื่นขึ้นแล้วนำมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดมาให้แม่เพื่อที่จะให้ท่านทำกับข้าวไปทรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมจะต้องไปซื้อของที่ตลาดให้แม่อย่างนี้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์เพียงเท่านั้นวันหนึ่งผมก็ไปซื้อของที่ตลาดตามปกติเมื่อผมต้องขี่รถผ่านเส้นทาง ที่มักจะมีข่าวประสบอุบัติเหตุกันอยู่บ่อยๆก็ต้องขี่รถช้าลงแล้วตั้งสติให้มากยิ่งขึ้นพอขี่รถผ่านเส้นทางนั้นไปได้สักพักผมก็เริ่มออกลายบันเลงบิดรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมิดไมอีกครั้งจนมาถึงศาลาสีเหลืองที่ใช้รอรถโดยสารหรือชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือป้ายรถเม์ ที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมเมื่อเหลือบมองไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวกำลังนั่งอยู่ที่ศาลาผมคิดว่าจะไปส่งเธอเพราะช่วงเวลาแบบนี้มันอันตรายแต่ในใจผมก็ผุดคิดขึ้นมาได้ว่าเวลาตีสามกว่าๆอย่างนี้ใครที่ไหนจะมานั่งรอรถเม์ตอนนั้นสัญญาณและทักษะ การเอาตัวรอดของผมเที่ยวไว้ใช้หนีตำรวจก็ได้ประทุขึ้นมาผมกำลัคันเร่งแน่นบิดจนมิดเพื่อที่จะขี่ผ่านตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าผมวนกลับมายังจุดที่เจอเธอคนนั้นอีกครั้งผมบิดหนีได้ความเร็วเสียงอีกครั้งแต่ก็ยังกลับมาที่เดิมอีกไล่เห็นอะไรเดิมๆซ้าอยู่หลายครั้งผมวนกลับมา จนเห็นเธอลุกขึนแล้วเดินออกมาภาพที่ผมเห็นนั้นมันเหมือนกับสไลด์ที่ฉายภาพออกมาทีละภาพอย่างรวดเร็วผมวนกลับมาจนเธอคนนั้นเดินมายืนขวางอยู่กลางถนนทำให้ผมต้องรีบเบรกอย่างกระทันหันเสียงล้อหน้าและล้อหลังของรถเสียดสีกับพื้นถนนลั่นดังเอียดแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็ค่อยๆ อ, อ้าป่าแล้วพูดออกมาว่าน้องน้องเมายาหรือเปล่าพี่เห็นน้องขีวนมาหลายรอบแล้วผมรู้สึกแปลกใจมากที่เธอคนนั้นพูดเหมือนกับคนปกติเลยทั้งทั้งที่ทีแรกผมคิดว่าเธอเป็นผีเสี้ยอีผมจึงตอบกลับไปว่าพี่พี่เป็นคนเหรอขณะที่ผมลงจากรถ พี่เขาก็ตอบกลับมาว่าอา้าวก็ใช่น่ะสิแล้วคิดว่าเป็นอะไรแล้วทำไมพี่ถึงใส่ชุดขาวล่ะผมจึงได้รู้ว่าพี่เขากําลังจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแถวนี้แต่รอเพื่อนที่จะไปด้วยกันมารับอยู่ผมจึงถามพี่เขาไปอีกว่าพี่มานั่งอยู่ที่นี่คนเดียวไม่กลัวเหรอพี่เขาเงียบไปสักพัก แล้วก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพายที่พาดไหลของเธออยู่เมื่อหยิบออกมาผมก็เห็นว่ามันเป็นที่ชัดไฟฟ้านั่นเองแถมพี่เขายังพูดอีกว่ามีนี่แล้วควรจะกลัวไหมล่ะผมจึงได้เพียงแต่ยิ้มตอบรับไปแล้วพี่เขาก็ถามผมว่าผู้หญิงชุดสีแดงที่มาด้วยกันไปไหนแล้วล่ะ ผมแปลกใจในสิ่งที่พี่เขาถามมาจึงตอบไปว่าผมมาคนเดียวไม่มีใครใส่ชุดสีแดงมาด้วยกันแต่พี่เขากลับบอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงนั่งซ้อนท้ายผมอยู่ตอนนั้นผมตกใจมากใจหนึ่งก็คิดว่าพี่เขาคงอําเลนแต่กใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันผมได้แต่คิดในใจพุทโธธัรมโม สังโคกูโดนแล้วผมรีบบอกลาพี่เข้าไปพอผมก้าวขาขึ้นคร่อมรถก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูบอกว่าไปส่งฉันที่วัดหน่อยผมรีบเพ่นอกจากตรงนั้นกลับบ้านในทันทีราวกับว่าเป็นเดอะแฟลเพราะกลับไปโรงเรียนที่ผมโดน <จะ S 2> <ม>ต้องแม่ตา น, นิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ไปตลาด ซื้อของตามที่แม่สั่งผมรีบเข้าไปในห้องนอนคลุมโปองอยู่อย่างนั้นพอถึงเช้าก็แต่งตัวใส่ชุดนักเรียนมุ่งหน้าไปวัดในทันทีโรงเรียนที่ผมจะต้องไปนั่นหรอครับเอาไว้ก่อนช่างหัวมันผมขี่รถไปถึงวัดก็รีบขึ้นไปหาหลวงพ่อพอเจอหลวงพ่อผมยังไม่ทันจะได้พูดอะไร หลวงพ่อก็พูดกับผมก่อนว่าขอบคุณนะไอ้หนุ่มที่พาเขามาส่งให้เขาบำเพ็ญธรรมที่นี่จนกว่าจะถึงเวลาอันควรเถอะเมื่อผมได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยสมองผมมันตื้อไปหมดแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาอีกว่าถ้าอยากจะไปโม้ให้ใครฟังก็บอกเขาว่าวิญญาณที่มากับเองนะ่ะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ เขาใส่ชุดสีขาวแต่ด้วยอุบัติเหตุรถชนทาให้เลือดที่ไหลออกจากร่างกายไปย้อมชุดขาวนั้นจนกลายเป็นสีแดงผมได้ยินที่หลวงพ่อพูดก็ยิงช็อกหนักเข้าไปอีหลังจากผมได้รับพรจากหลวงพอ่อก็กราบลาแต่พอผมเดินออกมาที่บันไดเพื่อจะกลับหลวงพ่อก็ร้องบอกว่าเอ็งดูผีไว้เป็นตัวอย่าง ขนาดเขาตายไปแล้วเขายัางอยากจะเข้าใกล้ธรรมะเลยมีแต่เองนั่นแหละอยากรีบเข้าโงชอบหนักขี่รถเร็วๆเนี่ยผมหันกลับไปมองหลวงพอ่อพยักหนา้าแล้วยิ้มเจืิญเจจากนั้นผมก็เดินไปที่รถแล้วก้าวขาขึ้นคลอมเพื่อจะไปโรงเรียนต่อในขณะนั้นเองผมก็นึกขึ้นได้ถึงคำพูดของพี่ผู้หญิง ที่ผมเจอที่ป้ายรถเม์ที่พี่เขาถามว่าผูห้หญิงชุดสีแดงไปไหนแล้วละ่ะประกอบกับที่หลวงพ่อพูดแบบนี้มันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะนั่นหมายความว่าผมอยู่กับผีมาตั้งแต่ตีสามจนมาถึงวัดแล้วล่ะสิทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาต้องมากับผมด้วย แท็กซี่ผีสวัสดีครับแอดมินและแฟนๆชาวสมัมผัสสยองทุกคนผมมีชื่อว่าพี่สันวันนี้มีประสบการณ์อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆได้รับฟังและเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคม 2,561 ซึ่งรถยนต์สาธารณะที่เรารู้จักกันดีอีกอย่างหนึ่งคือแท็กซี่สำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นต้องการความเป็นส่วนตัวหรือบ้านอยู่ไกลบ้านลึกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกใช้รถแท็กซี่เหมือนที่ผมเคยเรียกใช้อยู่เป็นประจำแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเจออะไรแปลกๆปทุกๆอาทิตย์ น้องพูลจะมาหาผมเพื่อทานข้าวและอ่านหนังสือเตรียมสอบทุกอย่างมันเป็นปกติเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาจนเวลาประมาณสองทุมครึง่งผมจะต้องโทรเข้าศูนย์รถแท็กซี่เพื่อเรียกรถให้เข้ามารับน้องภูลกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์แต่คืนนี้มันแตกต่างกว่าทุกครั้งผมได้โทรไปเรียกรถ ซึ่งทางศูนย์จะบอกให้รอประมาณ15นาทีเพื่อที่จะส่งทะเบียนรถมาในข้อความโทรศัพท์มือถือเป็นการยืนยันทะเบียนรถให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องขึ้นคันไหนเราสองคนนั่งรอรถแท็กซี่จนเวลาประมาณสามทุมรถแท็กซี่คันนั้นก็มาถึงเป็นรถแท็กซี่สีฟ้าแล้วผมก็เดินไปที่รถเมื่อมองดูรถ ทุกอย่างก็ดูปกติดีดูแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่ผมมองดูคนขับรถด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงพอตรวจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาขณะที่ผมกำลังจะพาน้องผูนไปส่งที่รถก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งสวมแว่นสายตาเอาหน้ามาติดกับกระจกหน้ารถมองไปยังรอบๆบ้านของผม แล้วก็มองไปบ้านคางๆตอนนั้นผมแปลกใจมากเพราะตอนที่ผมเดินมาตรวจ ด, ดูรถนั้นผมไม่เห็นมีใครนั่งอยู่ในรถเลยนอกจากคนขับและป้ายแสดงสถานะของรถก็ขึ้นว่างเป็นตัวสีแดงมันทำให้ผมงงว่าทำไมแท็กซี่คันนี้ถึงรับคนมาด้วยถึงแม้ในตอนแรกผมจะมองไม่เห็นก็ตาม ผมหันไปหาน้องภูลกาจะบอกว่าไม่ต้องขึ้นรถถ้ามีใครอาศัยไปด้วยแต่พอผมหันกลับไปดูที่รถแท็กซี่อีกครั้งก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วผมรีบดึงแขนน้องพูนเอาไว้แล้วบอกว่าให้ไปรอหยุดตรงหน้าประตูบ้านเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคนขับรถแท็กซี่ก่อนผมเดินไปเคาะกระจกคนขับรถ แล้วถามว่าเมื่อกี้รับผู้โดยสารมาลงที่นี่ด้วยหรือเปล่าคนขับรถแท็กซี่ตอบปฏิเสธว่าไม่ได้รับใครมาด้วยไม่มีผู้โดยสารคนไหนมาลงที่หมู่บ้านนี้ผมก็เลยพูดกับคนขับแท็กซี่ไปว่าทำบุญบ้างนะแล้วผมก็เดินออกมาคนขับแท็กซี่ถึงกับทำหน้าง ง, งกับประโยคที่ผมพูด แล้วผมก็พาน้องคูนไปขึ้นรถบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังพอน้องคูนขึ้นรถไปและแท็กซี่ขับไปจนลับสายตาของผมแล้วผมก็เลยตัดสินใจโหกคุยกับน้องคูนว่าเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ตรงบอกข้างคนขับมีผู้หญิงวัยกลางคนใส่แว่นหน้าตาดีเธอเอาหน้ามาติดกระจกหน้ารถ แล้วมองมาที่บา้านมองไปรอบๆ บ, บริเวณนั้นด้วยตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนธรรมดาที่เขาติดรถมาด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะคนขับแท็กซี่บอกแล้วว่าไม่มีผู้โดยสารติดรถมาด้วยแม้แต่คนเดียวเมื่อน้องภูลได้ฟังสิ่งที่ผมเล่าก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่มีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่ภายในน้องพูลเริ่มคุยกับแท็กซี่ ในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคนขับแท็กซี่จึงบอกว่าเขาได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเหมือนกันตอนที่เขากำลังจอดรอรับผู้โดยสารอยู่นั้นรถของเขาซึ่งจอดอยู่เป็นคันแรกและมีรถแท็กซี่อีกสองคันจอดอยู่ด้านหลังแต่ผู้โดยสารกลับเดินผ่านรถของเขาไปเพื่อไปขึ้นรถสองคันที่ด้านหลังแทนเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ มาได้อาทิตย์กว่าแล้วเขาก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่ามันไม่ปกติและยิ่งได้ยินเรื่องที่น้องภูลเล่าให้ฟังมันทําให้เขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าในรถของเขาต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆแท็กซี่ขับต่อไปเรื่อยๆทั้งสองไม่ได้คุยอะไรกันอีกบรรยากาศในรถวังเวงและเงียบสนิทจนแท็กซี่ ขับมาถึงอาาพาร์ตเมนต์ของน้องภูนเมื่อจ่ายเงินและออกจากรถแล้วน้องภูนได้หันกลับไปมองยังรถแท็กซี่คันนั้นอีกครั้งก็เห็นคนขับรถแท็กซี่เปิดประตูรถทั้งสี่บานรอบคันแล้วเขาก็พูดออกมาว่าลงไปซะลงไปไม่ต้องกลับเข้ามาอีกนะลงไปซะไม่ต้องเจอกันอีกนี่ คือสิ่งที่น้องภูนเห็นคนขับแท็กซี่ทำและมาเล่าให้ผมฟังไม่น่าเชื่อนะครับว่ายุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยและเจริญมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะอธิบายได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าหากมีใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยากให้ตั้งสติให้มัน แล้วแผ่เมตตาเพราะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้สมภัสสยอง